พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่9้โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าถามตัวเองว่าพอหรือยังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้า มีนาคมพุทธศักราช2560วันพระที่แล้วเดือนสามดับหลวงพ่อลงไปกรุงเทพไปงานที่วทอดผ้าป่าสามัคคีวันเสาร์เป็นวันอุโบสถของพระด้วยจะไปลงอุโบสถที่สวนแสงธรรมก็พระทั้งหมดก็สิบกว่ารูปวันนั้นะ ออกลงโบสถ์แต่เช้ามืดพอตกตอนเย็นก็มีการประชุมไหว้พระที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดในช่วงนั้นแต่วันนี้ก็หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันเองน่าจะลงไปพบลูกหลานห่างเหินกันมากเกินไปก็ไม่ดี เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ลงมาแต่ถึงยังไงให้ครูบาเตรียมเตรียมเอ็มพสามเปิดด้วยนะแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราทุกๆกท่านศรัทธาญาติโยมพระเนลูกหลานทุกอง์อยู่ น, น่าจะานที่ใดอย่าลืมตัวฮอย่าไปหลงละเลงจนเกินไปอย่าลืมตัวให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัย ได้อยู่ในศีลในธรรมพวกคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันที่เป็นศิษ ย, ย์ญาติศิษย์และเป็นศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเออหลงละเลงให้พวกเรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้ชีวิตของเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้คือ หลวงพ่อ่บอกกล่าวให้พวกเราฟังย้อนหลังดูก็ได้อพระเนรลูกหลานก็เหมือนกันเราอยู่นัสถานที่ใดให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะลูกหลานพระเนร น, นะอไม่ถึงร้อยปีตัวต่างคนก็ต่างไปให้ประกอบคุณงามความดีอย่าไปหลงในลาบในยศในสรรเสรสิญสรรเสริญก็ปากคล้องเขาลาบลยังไม่พอเหรอยังไม่พอกินเหรอ ยังหิวอยู่เหรอหลวงพ่อว่าพวกเราเพียงพอเรื่องลาบเรื่องยศก็เป็นพระก็พอแล้วแหลหลวงพ่อพาพอหลวงพ่อน่หลวงพ่ออินพอแล้วเรื่องยศสรรเสริญก็อยู่ในปากของเขาถ้าเขาเราทำไม่ดีถึงเขาจะสรรเสริญก็เท่านั้นถ้าเราดีเขาจะนินทาก็เท่านั้นพ่อะไรเพราะอยู่ในปากของคนอื่นเขา เราต้องมองดูตนเองอยู่เสมอว่าเราขาดเหลือขาดตกอะไรอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกรอบของอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญิตบัญญัติสินและวินัยขึ้นมาแล้วเราขาดเหลือขาดตกอะไรไหมถึงว่าเขาว่าเราจะเป็นให้เราเป็นผู้ลืมตัว เ, เขาก็เป็นปากของเขาแต่เรามองดูตนเองอยู่ เราลืมตัวที่ตรงไหนว ะ, อ, ะอย่างนี้แหล ะ, ะหรือว่าเราคิดถึงความตายของตนเองไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องหนีจากโลกนี้แน่นอนอเราต้องการอะไรบ้างต้องการโลภใช่ไหมต้องการยศใช่ไหมต้องการสรรเสริญเยินยอใช่ไหมอันไหนถูก ร, รู้ไหมอันไหนผิดรู้ไหยอันไหนควรรู้ไหมอันไหนไม่ควรรู้ไหม อันไหนบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษสิทธิ์ของเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหนรู้ไหมให้มองตนเองอยู่เสมอถ้ามองตนเองไว้อยู่เสมออย่างนี้แล้วนะสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนพิจารณาที่จะถอดถอนกิเลสภายในจิตในใจของเราเราเดี๋ยวนี้เราเพียงพอหรือยัง บริบูรณ์หรือยังหรือขาดตกขาดเหลืออะไรการภาวนาของเราจิตใจของเราบริสุทธิ์อยู่ในระดับไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองในการเป็นอยู่ของเราแนวดูแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหรือแนวปฏิปทาของหลวงตาหลวงปู่ล่าผ่าดําเนินมาเราหย่อนมากเกินไปใช่ไหม แลอะเลอะอเราเกินไปใช่ไหมาการครบกับคู่ขนของเราเนี่ยจนไม่มีขอบมีเขตอย่งงางนั้นใช่ไหมเรืเ่องการพูดเป็นบ้าดน้ำลายจนเกินไปอย่งงางนั้นใช่ไหมเสียงเหล่านี้มันก็ต้องตรวจตราดูตนเองเสมอแล้วต้องมองดูแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอันนี้เปรียกว่ า, าครูบาอาจารย์เดินตามแนวแถว เดินตามพ่อพ่อกอตามครนะูอันนี้เราก็ต้องมองอีกเหมือนกันแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะเดินผิดตผิดแปลกแตกต่างหลักพระธรรมวินยัยใช่ไหมอันนี้เราก็มองดูแล้วไม่เห็นผิดที่ตรงไหนเดินตามแนวแถวของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิลและวินัยอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้รัก ให้เคารพในศิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้แล้วเพราะนั้นมาถึงพวกเราพวกเราก็ให้มองให้มองดูตนเองให้มองพวกเราเองเพราะนั้นหลวงพ่อมองดูแล้วนะหลวงพ่อก็มั่นใจว่าเราเดินตามแนวแถวให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่หลวพ่อเราตั้งแต่สร้างวัดมานะ เตั้งแต่ตั้งวัดมาตั้งแต่สร้างวัดมาเราก็เดินมาอย่างนี้เดินปฏิบัติมาอย่างนี้เราก็มองตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพวกเธอท่านทั้งหลายที่เห็นว่าจุดนั้นจุดนี้นะพวกเราอ่อนอ่อนร้อยนะหลวงพ่อนะไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อก็จะฟังจากพวกท่านศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แต่เฉพาะพระศรัทธาญาติโยมด้วยนะแต่ถ้าว่าหลวงพ่อเองเหมือนกัน อยู่ในสถานนะี้ณอย่างนี้หลวงพ่อก็จะเตือนเออพวกเรานะอ อ, อย่าออกนอกลู่นอกทางตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารเนอร์การอยู่การฉันก็อยู่ในกรอบอฉันดิบฉันดีขนาดไหนก็เถอะ อ, อจะฉันอ อ, ออกนอกลู่นอกทางไม่มีทูดงขวัตเลยมันไม่ใช่แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารเนอร์พรลูกพาลานทั้งหลายนะ ฉันไปแล้วเท่านั้นแหละไม่ใช่เป็นสวรรค์มันเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็เท่านั้นแหละอีกแักวันหนึ่งก็เห็นฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงผมหงอกผมขาวหนังเหี่ยว เ, เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยพ้นทสุดก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละให้เลี้ยงพอประมาณอย่าลืมตัวนาะ แต่ถึงจงไงเรามาอยู่ในสถานีนั้นะอยู่ในสถานะนี้อยู่ในกรอบนี้อยู่ในหลักพฤติธรรวินัยอย่างนี้ให้เราอยู่ในหลักในกฎในเกณฑ์นี้เนอะหลวงพ่อมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวผ่าลูกผ่าหลานน้องหนุ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองคิดว่าพาดําเนินมานะี่ยแล้วมันผิดแปลกแตกต่างที่ตรงไหน หลวงพ่อเองก็เลยมองมองอยู่นะพาลูกพาหลานก็พร้อมกัน เ, เรื่องกฎระเบียบเรื่องธรรมวินยัยการเป็นอยูอ่จากนั้นเรื่องแนวความคิดหลวงพ่อก็เน้นหนักกว่าแนวความคิดของหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินพาดำเนินมาอย่างไรก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา เ, นเรื่องสมรถะคือทําจิตใจให้สงบจะทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบ ให้เรามีความตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นว่าตั้งใจมั่นข้าพเจ้ามาบวชในคราวในครั้งนี้มาอยู่ในวัดแห่งนี้อยู่กับหลวงพ่อนี้เรามุ่งหวังอะไรมีแต่ว่ามุ่งมุ่งหวังเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่ออยากจะชำละจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อภาวนาทําจิตใจให้สงบเป็นเบื้องแรกซะก่อน หลวงพ่อก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าพ่ะลูกร า, านทั้งหลายเนะถ้าพวกเราจิตยังไม่สงบนะยังไม่เห็นผลแห่งจิตสงบนั้นพวกเรายัางมองไม่เห็นอย่างอื่นนะเพราะนั้นเราต้องรู้รสแห่งความสงบซะก่อนถ้าจิตใจของเราได้รับความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเน่งจิตใจได้รับความสงบเป็นอปปนาสมาธิจากนั้นเราจึงจะรู้รสว่าการบวชมาคราวนี้ครั้งนี้ เราไล่ได้สัมผัสสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้ริมรถตัวนี้เป็นกําลังเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานจากนั้นเมื่อเราได้จิตสงบแล้วนะเนี่ยเป็นพื้นฐานรู้แล้วรู้รดแห่งความสงบแล้วเนี่ยความหมั่นขยันหรือความตั้งใจระดับ ต่อไปภายภาคหน้ามันจะมีเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้รับความสงบเหมือนกับเราไปทํามาค้าขายเคว้งคว้างไม่ได้กําไรไม่รู้ขาดทุนกําไรอย่างไรมีแต่าขาดทุนตลอดเราจะมีกําลังเราจะมีแก่จิตแก่ใจอย่างไรที่จะทํามาค้าขายจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราเข้ามาแล้วตั้งใจตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจภาวนา มีความตั้งใจมั่นมีสมาธิจากนั้นก่อนตั้งจิตอธิษฐานในจิตใจเอาเถอะข้าพเจ้ามาคราวนี้เสียสลักจะนั่งภาวน า, าลตลอดสามสี่ห้าชั่วโมงเราจะเดินจงกรมในขณะที่นั่งได้เดินนะข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตใจของเราหลุดออกจากสมาธิเราจะบริกรรมกรรมฐานไหนเราจะยึดในกรรมฐานนั้น อย่างมั่นคงเราปล่อยจิตปล่อยใจมาม า, มากตัวมากแล้วเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าข้าพเจ้ายัางไปเดินไม่ถึงเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีข้าพเจ้ายัางไม่ได้ริมรถแห่งความสงบแต่เอาเถอะข้าพเจ้าจะพยายาม ให้สติอยู่กับตนเองตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเจา้าท่านก็ให้อยู่กับตัวเองเถอะบังคับเลยสิมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นสิมันเป็นยังไงจะได้รู้นี่นี่แหละแปลว่าเป็นผู้ใส่ใจสนใจในเมื่อเราใส่ใจสนใจเอาจริงจังอย่างที่หลวงพ่อพ่อได้พูดได้กล่าวนะลูกหลานก็คงจะเห็นไม่เห็นมากก็ต้องเห็นน้อยวิแววแสงสว่าง เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ท้านบอพวกเราไม่ได้ใส่ใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ เ, เราไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะพวกเราก็เหมือนกับมาที่ไหนก็คว้าน้ำเหลวมาลองจ่องแฉงมาแล่งแจง่งจ้องไปเลยผลในสู่ก็เลยเหมือนกับเราไราสภาพไรความตั้งใจไรศรัทธาไราปัญญา มันร้ายไปหมดเลยทะานเองเพราอเราความไม่ตั้งใจมั่นมันไม่มีอันนี้เรากนยดือดแนวแถวที่องค์หลวงตาแต่องค์อื่นก็มีหลวงพ่อก็มีแต่จะมาพูดให้ลูกหลานได้ฟังเหมือนกับออ้วกอวดหรือว่า เ, เหมือนกับโอ้ตัวเองเออไปไประเชิญแต่ตามไม่จริงเราต้องอ้างเพราะพุทธเจ้าแล้วก็อ้างองค์หลวงตาองคหลวงตาที่ท่านชัดเจนอยู่แล้วท่านกบอกนี่นะ ก่อนที่ผมจะเข้าผมจะได้หลักจิตหลักใจให้ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าให้อยู่กับพุทธโธเท่านั้นนะอย่างอื่นอย่าไปคิดตำรับตําราหรือว่าแนวความคิดอย่างอื่นให้เอาเข้าตู้เข้าหีบไว้ก่อนนะให้บริกรรมพุทธโธอย่างเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขาขวาพุทขาขวาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียนขวาพุทเวียนซ้ายโธ มีสติสัมปชัญญะในตัวเองนะอย่าให้เผลอไปทางอื่นนะอันนี้คือหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาหลวงตากรท่านก็พูดเราจะได้ฟังเสียงหลวงปู่มั่นเมื่อไรนะหลวงตาพูดอย่างนั้นเราก็นำคำพูดของหลวงตานะเอามาขยายผลอีกทีนี้เรามาทดลองหน่สิทดลองอย่างหลวงตาเลยที่หลวงตาได้รับมานะท่านก็บอกว่าวันแรกเราทอทอหนักหนาสาหัสทีเดียว ที่เราเคยทำการทำงานมาหนักหนานะ่อยอย่าไปคิดเลยว่ามันจะหนักเก่งกว่าการบังคับจิตใจการบังคับจิตใจให้เป็นสมาธิจุดนี้นะหนักมากๆหนักใจเพราะพอบังคับใจพอวันที่สองก็หนักที่สาก็หนักพอวันที่สรู้สึกว่าเบาเบาบางคลายว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบไปตามแนวแถวที่ตรงเองตัวของท่านต้องการ วันที่สี่ที่ห้าเท่า น, นั้นะใจเป็นสมาธิใจเน่งแลใ่ใจ อ, อ, อยู่ในกรอบเลท่านบอกนี่หละไม่เสื่อมออสมาธิของเราแน่นปึกงและไม่เสื่อม น, นี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวที่องค์หลวงตาที่ท่านได้บอกได้กล่าวเพราะนั้นให้พวกเราได้เชี่ยวหนึ่งดีมไม้ไม่ตายทั้งหมดถ้าว่าเราเข้ามารอแหละรอแหละรอแหละรอแหละ มันไร้ไประโยชน์ไร้คุณค่าจริงๆนะพ่อลูกพ่อหลานนะพอให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แะวิธีการภาวนาต้องการปฏิบัติให้ยึดพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธขาขวาพุทขาซ้ายโทนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมาฐานเบื้องต้นเทว่าที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐาน แห่งความสงบให้พวกเรายึดจุดนี้หละแต่จากอย่างอื่นเราจะเอามานะ่อาออกมาใช่ในวัดของเรากรรมฐ า, านนู่นกรรมฐ า, านนี้ที่พวกเราได้ศึกษาจูเอ็นกงยูเอ็นก้าอะไรก็ตามเราจะเอามาถ้าเอามาแปลว่าเดินผิดที่ผิดทางใช่แล้วถ้าเราอยู่ในจุดนี้เราต้องศึกษาเราไม่เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหม ถ้าไม่เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอยู่ทําไมไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ตรงที่ เ, เราไปศึกษาเราต้องการศึกษาหน่นะอยไม่ใช่ว่าเราอาบน้ําที่หนึ่งไปสีขาที่หนึ่งฮอย่างนั้นได้ยังไง อ, อ, อาบน้ําที่ไหนก็สีขาตรงนั้น่ะอขัดขี้ใครตรงนั้นนี้ก็เหมือนกัน่เราศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเชื่อในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเชื่อในปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาแล้วก็เชื่อ ในหลวงพ่ออินเนี่ยคงไม่โกหกพวกเราเนี่ยมันต้องเชื่อเป็นลาดับลงมาจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติสิท่านให้ขุดทองตรงไหนก็ขุดสิตั้งใจขุดเนี่ยจุดนั้นอ่ะอมันไม่ได้อย่างไรก็มาถามสิหรือว่ามันขาดตัวุกป้องเราก็รู้แก่ใจว่าข้าพรเจ้าเนี่ยขุดดูแล้วข้าพรเจ้ารอแหละอ่อนอ่อนแอเกินไปอไม่ไปอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเราก็รู้แก่ใจ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเองนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังความด้วยความเชื่อมั่นด้วยความที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจงไม่คงไม่โกงโกหกต้มตุมต๋นพพวกเราแน่นอนกลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้น เ, เกินร้อยเกินพันเกินหมืน่นเกินแสนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้หวังดีกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเรา ตั้งอกตั้งใจภาวนานะศึกษานะให้มีความตั้งใจมั่นอย่างที่ว่านะอย่างอื่นผมก็ไม่ได้ตำหนิแ่พวกเราท่าทั้งหลายจิตวัดข้อวัดที่ผมเห็นก็เออเป็นที่อุ่นใจพอใจสำหรับลูกหลานพาลูกพาหลานทั้งหลายแต่เรื่องจิตตภาวนาเนะี่ยผมก็ยังเป็นห่วงอยูเออ่เพราะว่าเรื่องภาวนานะเป็นเรื่องที่หัวจิตหัวใจของพวกเรา อยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวอย่างที่หลวงผมได้พูดนะมันไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างไปต้องต้องการอะไรต้องการลาบใชต้องการยศใช่ไหมต้องการชัเสริรใช่ไหมต้องการอะไรอีกมีไหมเรามาบวชคราวในครั้งนี้หลวงพ่อเป็นผู้นำหลวงพ่อพาต้องการอะไรนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายมองดูถ้าว่าต้องการเหนือจากหลวงพ่อไปแล้วอยู่ทาไม มันแคบเลื่อในประเทศไทยต้องการไปที่ไหนถ้าว่าเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์เอาหลวงพ่อจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสิ่งภายนอกไม่ต้องห่วงอยู่อย่างพระอยู่อย่างสมณะให้ทั้ อ, อกทั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเราทำดีแล้วตั้งใจดีแล้วมักผลนิพพาน ไม่ไปที่ไหนหรอกรอเราอยู่นะแต่พวกเราทำมาก็ไม่ตั้งใจเลยเหมือนกับไล่แต่คุบเงานะลูกหลานมันไม่ได้หรอกมันไม่จริงจังเพราะนายจริงจังนะพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมน้องนุงทั้งหลายนะตอนนี้ไปนั่งภาวนาเลยสิหนะนั่งสมาธินะดูภาวนาไปเลยพุโทโธพุโทโธไปเลย